พึงากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสมปัจชัญญาเป็นเครื่องประครับประคองไว้ ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยรวมจิตใจของนนเงภาวันตต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 ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยกิเลสมันจูงไปตามประสงค์เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็หมายความว่าเรามาฝึกสตินี่นี่ย สติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี่หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจอรรมปัจชันญ์นความรู้ตัวครู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้ตนกำลังนั่งสมาธิอยู่ กำลังน้อมใจลงถูกความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเออเป็นหน้าที่ของสัมปัจฉญญะจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กากับจิตไ้เลย แม่เป็นคิดสงสายไปตามการงานต่างๆบ้างแม่เป็นคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลบ้างอะไรโมนี้ห้ามจิตไว้เลยไปเพงลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมด้วยสติห้ามจิตไว้พร้อม อย่างนี้นะจิตมันยังจะสงบตั้งมั่นลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้เลยหายใจเข้าก็กำหนดรู้นะรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่หายใจออกก็กำหนดรู้ รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นหรือว่าจิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดที่ท่าเนเรียก ว, ว่าธรรมารมนั่นเอง ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นคนจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนะความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนละ่ะเม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนันเป็นตัวเป็นตน คิดทางเงินหาทองอังนนี้เขา้าใจว่าความคิดนั้นเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆเนี่ยนะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันปรุงแต่งสัญญาความจมาําหม่และสำคัญว่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆนี่เราเรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะอืม ความใคร่ครวนความกำหนดรู้ความเลือกเฟ้นความคิดความนึกตัวเองดังนั้นเราต้องกำหนดรู้รู้จักเลือกเฟ้นความคิดเราเมื่อเราคิดไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ไม่เดือร้อนอะไรจิตใจ เช่นอย่างบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าถ้าพุทโธนั้นให้กำกับอยู่กับจิตแต่อยส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนอะ่ะมันก็อยู่อยนี้นเหรือเราดำริเอ็นื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือหรือไม่ใช่ของเรา เรากําหนดเพ่งอยู่ภายในนี่ดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้คอาคิดอันนั้นมันก็ไม่พุ่งท่าไปทางไหนอะ่ะเมื่อเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี่ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็แตกดับอยู่กับโลกอันนี้ไม่ไปไหนบรรดาสรรพรูปทั้งหลายจะเป็นรูปสัตว์ที่มีวิญญาณครองก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามลูกลูก ร, รูปที่ไม่มีวิญญาณครองนะ่ะมีเยอะ นับเอาทั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยมุนีออกไปนะมนันล้วนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณครองทั้งนั้นเลยทัย้งนั้น <c oughs> สับบังรูปังรูปทั้งหมดกดสักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรา เนโซหมัสมินันไม่เป็นเรานาเมโซอัตตาตินันไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตรคณสูตรต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจของตนอย่างนั้นพอใจในมันหลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่เนี่ยออกไป มันหลงสําคัญเาเป็นของเราของเขามานับชาติไม่ทวนแล้วมันหลงกันอยู่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็ได้เพราะฉะนั้นมันถึงได้มาเกิดมาแล้วต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีเมียมีลูกขึ้นมา อา้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมันอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภากจากลูกเมียจากลูกเราเมียเรานั่นความหลงอะ น, นั่นนะอย่าว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาจวนจะทิ้นล้มนั่นก็ยังว่าของเราอยู่ นี่ทงพี่นาดูให้ดีไอ้กิดที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ทวนแล้วที่ล่วงแล้วมาอืมาวันนี้เราได้มาฟังคําสอนของพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งที่นาดูเนะ่ะมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราอืม เรามาน้อมจิตใจให้เห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่าอย่าเห็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาเคยยึดเคยถือมาเที่ตนเคยเห็นเคยยึดถือมามันไม่ถูกมันผิดทางมันเป็นอุปาทานถือมันในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยล่ำไปเมื่อตายไปแล้วอุปทานความยึดมั่นในรูปในน้ำอันนี้ยังมีอยู่มันก็เป็นตัวก ร, รมนำให้ไปเกิดกับรูปกับน้ำอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วคมามเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนในยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละ ชาติใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาเวลาไดโรคใครไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลินซะเต็มที่ นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในการมคุณเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิน่นรสเกิ่งสัมผัสที่ตนรักใครพอใจต่างๆนั่น นี่แต่เสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นโดยส่วนเดียวไม่ทบทวนหัว น, นึกเข้ามาดูชีวิตเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนมันจะอยู่ไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันไม่หวนมาคิดคำนึงถึงเรื่องคนเราส่วนมากส่วนมากมันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะมันไม่คิดคำนึงถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แหละมันจึงได้มัวเมาประมาทไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในตนแทบจะไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะนำตนในพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากเป็นยังั้น มันคิดเห็นแต่เงินนูนะ่นเน่ยจะทำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ดนิ้นหาแต่เงินแต่ทองกันอยู่งั้นนะไม่หาบุญนะแต่ว่าคนบางคนบางพวกนะ่ะมันตื่นตัวได้รู้ตัวได้ก็แสวงบุญนะเหมือนอย่างคนทุกวันนี้นะทางคมานาคมมันสะดวกเมื่อพิจารณาเห็นว่า ที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหวานเพืิคือให้ทานลงในที่นั้นจะใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางลา ม, มันไปได้แม้แต่ปากภูเขาขเรลากอเก็เขาก็ทำไปถึงอันนี้ สแสดงถึงความตื่นตัวของคนบางคนบางพวกก็ไม่ม น, นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าความตายมันจะมาตัดรอนเอาเวลาไหนรู้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยความตายมันแทรกเข้ามาทันทีเลย อย่างที่ร่วงแล้วมานั่นแหละมันเปน็นยางไงบทบหมันบางคนนะมันก็ตายอย่างรวดเร็วก็มีบางคนก็นานตายเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานไปนานกลัวจะตาย อ, อัน้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนานไปแล้วก็ ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทานได้เสวยแต่ทุกขเวสนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก่อนยังชั่วหน่อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้ อยู่เสมอไปแันเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้วัา น, นี้รู้เท่าได้อพออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรุนทุรายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของมุทิเจ้า ว, ว่าทุกนะ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า ไม่ใช่ละละไม่ได้ในเมื่อขันห้านียังมีอยู่ตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าตนยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าอาศัยทุกอยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็ทำความรู้เท่าคนไม่ทำความรู้เท่าทุกหนักเข้าพอพอเข้าไป หาทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นะคนไม่รู้เท่าทุก น, นะก็คิดสั้นน่ะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายความเข้าใจอันนั้นที่จริงเข้าใจผิดนี้มันจะตายอะไรเมื่อมันมันจะสบายอะไรอ่ะ ไอ้ตนฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับตนไปฆ่าคนอื่นให้ตายนั่นแหละเพราะตนเองก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งปาโนแปว่าสัตว์มีชีวิตนี่นะปานะสั้นยิโตจิตคิดจะฆ่าซัมมาวายาโม О. ทาความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายและสัตว์นั้นตายด้วยความเพียร น, นั้นไอ ตนเองก็เป็นสัตว์โลกกับเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่น น, นเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั้นเองเนี่ยพูดง่ายเมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวนี่มันก็ติดต่อยห้อยตามไปนำไปสู่นรกอบายภูมิหน่นอหันจากนารกมาเอา้า กรรมนั้นมันยังไม่หมดมันก็ติดต้อยห้อยตามมา <deve ck 23>